สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่48เรื่องบทสรุปของบิดาพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่7ข้อ24ถึง27สุภาษิตบทที่7ข้อ24ถึง27ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของบทที่7นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าโอ้บุตรชายเ อ, อย๋ยบัดนี้จงฟังเรา และจงตั้งใจต่อถ้อยคําจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าจนอยู่ในวิถีของนางนั้นเพราะนางได้ฟัดเหยือ่อลงเสียเป็นอันมากเออบรรดาที่นางฆ่าเสียนั้นก็เป็นจํานวนมากมายเลือนของนางเป็นทางไปสู่แดนผู้ตายลงไปถึงห่วงแห่งความตายพี่น้องครับ ในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็จะแปลาภาษาไทยได้อย่างนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราจงใส่ใจถ้อยคำของเราอย่าปล่อยใจไปตามทางของนางอย่าหลงไปตามทางนั้นเพราะเหยื่อที่นางฟาดฟันลงนั้นมากมายนักแม้แต่คนยิ่งใหญ่ <c oughs> ก็ตายเพราะนาง บ้านของนางเป็นทางหลวงสู่หลุมศพนำไปถึงห้องแห่งความตายพี่น้องครับนี่คือบทสรุปส่งท้ายของบิดาหรือคุณพ่อสำหรับเรื่องราวของหญิงแพทย์สยาตริย์ตุลมอนนั้นได้แนะนำวิธีการป้องกันและเอาชนะการทดลองการล่อลวงในเรื่องเพศนี้ ในตอนนี้อยู่สามประการด้วยกันประการแรกครับปกป้องใจครับปกป้องรักษาความคิดจิตใจของเราในข้อยี่สิบสี่บอกว่าจงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคาจากปากของเราปกป้องใจของเราไว้ครับเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงบาปทางเพศได้โดย ขั้นตอนประการแรกก็คือรักษาความคิดปกป้องความคิดปกป้องจิตใจของเราให้ออกห่างจากการล่อลวงการทดลองทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นยาอา่านหนังสือที่ไม่ดีดูภาพที่ไม่ดีหรือสร้างจินตนาการที่ไม่ดีที่กระตุ้นความปรารถนาผิดผิดทางเพศนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับ จงปกป้องร่างกายของเราในข้อที่25ก็ขอบอกว่าอย่าให้ใจของเจ้าหันไปจากทางของนางหันไปตามทางของนางอย่าจนอยู่ในวิถีของนางนั้นในข้อที่25ขอไข่นะครับบอกว่า don't go wandering after her หมายความว่าไงครับหมายความว่าปกป้องร่างกายของเราอย่าตามนางไปครับ เวลาที่นางมาล่วล่อลวงยั่วยวนเราต้องระวังนะครับระวังเท้าของเราระวังการก้าวของเร า, ร ะ, า, ร, เ า, เ ร, าระวังร่างกายของเราที่จะไม่ตกไปเป็นเหยื่อตรงนี้ทําให้เรารู้นะครับว่าเวลาที่เราจะต้องปกป้องร่างกายของเรานั้นเราจะต้องใชว้วิธีการวิ่งหนีครับวิ่งหนีเหมือนกับโยเซฟนะครับวิ่งหนีภรรยาของนายของตัวเอง ที่ให้ท่าให้ท่าอยู่ทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมีวันหนึ่งภรรยาของโพธิฟานั้นจับโยเซฟไว้เพื่อที่จะมีทำการล่วงประเวณีเพราะฉะนั้นโยเซฟหนีครับหลีกหนีให้ไกลจากสภาวะแวดล้อมหลีกหนีให้ไกลจากหญิงชั่วหญิงแพขยห <c oughs> ลีกหนีให้ไกลจากสานการต่างๆ หลีกหนีให้ไกลจากกลุ่มเพื่อนที่พยายามชวนเราให้ทําบาปอันนี้เป็นประการที่สองครับอย่าก้าวเท้าเข้าไปสู่วิถีของงานประการที่สามครับปกป้องอนาคตของเรามองอนาคตนะครับอนาคตของเราอย่าคิดอย่ามองอะไรเพียงสั้นๆแต่คิดถึงอนาคตไวอยู่ใน <c oughs> ข้อที่ยี่สิบเจ็ดครับ ยี่สิบหกยิบเจ็บอกว่าเพราะนางได้ฟัดเหยื่อของนางลงเสียเป็นอันมากบรรดานคนที่นางฆ่านั้นก็เป็นจํานวนมากเรือนของนางไปสู่แดนผู้ตายและลงไปถึงห่วงแห่งความตายาพระภีบอกว่าแม้แต่คนยิ่งใหญ่ก็ตายเพราะนางได้พี่น้องจะเห็นนะครับในประวัติศาสตร์มีผู้นําเยอะแยะมากมายของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ เป็นพระราชาหรือเป็นจกักรพรรดิก็ตายเพราะว่าผู้หญิงมามากไม่เพียงแต่เท่านั้นครับในคริสจักรในวงการคริสเตียนเองก็มีผู้นําที่ตายเพราะผู้หญิงก็มากคําว่าตายนี้ไม่ได้หมายความว่าหยุดหายใจนะครับแต่ชีวิตของเราเขาเนี่ยได้ออกจากทางของพระเจ้าและไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปไม่เพียงแต่เท่านั้นครับบ้านของนางนั้นยังเป็นทางหลวงสู่หลุมศพ นะครับเป็นทางลัดสู่ความตายพี่น้องครับ Highway นะครับ to death and shortcut to d e a ก็คือเป็นทางหลวงทางหลวงหมายความว่ามีคนเยอะแยะมากมายเดินอยู่บนทางนี้ครับเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าผู้ชายที่มีอนาคตผู้ชายที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ให้กับโลกสร้างการเปลี่ยนแปลงนําการพัฒนาเยอะแยะมากมายมให้กับโลกได้แต่ต้องตายเพราะ เดินอยู่ในวิถีนี้น่าเสียดายน่าสังเวชและน่าสมเพชยิ่งนักเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเรา <c oughs> ปกป้องโดยที่เราคิดถึงอนาคตของเราเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าบาปของการล่วงไประเวณีนี้เป็นทางลัดสู่แดนคนตายก็พูด ง, ง่ายๆว่าสามารถทําให้เราตายได้สามารถทาให้เราตายอย่างรวดเร็วได้ สามารถทำให้เราเสียชื่อเสียงที่สัาสมมานับสิบสิบปีได้ด้วยเหตุ น, นี้ครับชีวิตของผู้ชายที่ไร้เดียงสาคนหนึ่งมันอาจจะไม่ถูกทำลายโดยทันทีนะครับในช่วงที่เขาร่วงประเวณีแ ป, ม ป, แแปแ่มันจะถูกนำไปจู่แดนทหารแดนประหารทีเล็กทีละน้อยครับมันจะถูกนาไปจู่แดนประหารทีเล็กทีน้อยขณะที่เขาเดินเข้าไปสู่เส้นทางนี้เช่นเป็นเส้นทางที่ ชีวิตของเขาเองนั้นจะตกเป็นเหยื่อและจะถูกทิ้งไว้จะถูกทิ้งไว้เป็นสถิติเพิ่มอีกคนหนึ่งครับสถิติเพิ่มอีกคนหนึ่งที่กําลังรับค่าจ้างของความบาปนั่นคือความตายนั่นเองพี่น้องครับอย่าให้เราหรือลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งของนางแพทย์สยาและคอนเบนมากครับตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงนี้พอเดินเข้าไปอยู่ในวิถีของนางและ นอนอยู่บนเตียงนอนในบ้านของนางพี่น้องครับเป็นการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์เราพูดคุยนะครับเราอยู่ในการล่อลวงการทดลองพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในความเสี่ยงขอพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ลูกหลานของเรานั้นจะรับฟังรับการเตือนสติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีพระชนะของพระเจ้า เพราะชนะนั้นจะทําให้ชีวิตของเขานั้นรุ่งเรืองและหลุดออกจากทางแห่งความชั่วความบาปพี่น้องครับชายหนุ่มนะครับที่ยุ่งเกี่ยวและก็มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดเขาจะต้องพบกับการลงโทษครับการลงโทษจากใครครับลงโทษจากสามีที่เกลียดกลัดหรือเขาอาจจะพบกับความยากจนเพราะว่าถูกแบกเมหรือจะต้องดูแลใครบางคนหรือโรคร้าย นะครับโรคเอดโรคทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายหรือความเจ็บปวดทางอารมณ์และจิตใจจิตวิญญาณเพราะว่าครอบครัวเขานั้นถูกทํำลายเียครับครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์เพราะว่านอกจากมนุษย์ตัวเองนั้นขยายวงวงแรกก็คือครอบครัวครับขยายวงอีกวงนึงก็คือครวิตจักรขยายวงอีกวงนึงก็เป็นสังคม ขยายวงอีกวงหนึ่งก็เป็นประเทศชาติพี่น้องครับครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพระเาะฉะนั้นอย่าให้โอกาสนางแพทย์หญิงชั่วให้เขาเป็นนักล่าชีวิตของเราและเราในที่สุดกลายเป็นเหยื่อและให้นางฟัดเราและนำไปสู่ห่วงเหวแห่งความตายพี่น้องครับอยากจะบอกว่าเอเทส shortcut แ o death. It is the highway to death บาปทางเพศนั้นรุนแรงครับเป็นบาปทางรัดที่นำไปสู่ความตายได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้ทันตาในเวลาเดียวกันครับมันเป็นทางหลวงที่คนเดินเยอะทางของพระเยซูก็แคบคนเดินน้อยแต่ทางของโลกทางของความชั่วร้ายทางความบาปนั้นก็มีคนเดินมากมายทีเดียว เหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีพี่น้องครับอย่าหลงไปในทางของนางแพทย์ยาและและอย่าคิดว่าเราเข้มแข็งแล้วและเราสามารถที่จะเอาชนะการทดลองเหล่านี้ได้โดยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงอาเมน